พูดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ FM 106 ค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สัปดาห์ กับพวกเราอย่างค่อนข้างจะละเอียดตามความลึกซึ้งที่พระศาสดาของเราได้ตรัสรู้แล้วก็ประกาศธรรม เอ่อทางออกของตัณหามีอยู่นะพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ น้ำมันลดลงแล้วเนี่ยมันจะมีคราบอะไรอยู่เต็มไปหมดใช่มั้ยไอ้คราบที่มันเหลืออยู่ๆรอบนะซึ่งๆพระภิกษุเจ้าๆทําๆทําย้ําๆ เอาที่หยาบๆออกก่อนเอาน้ําฉีดก่อนถ้าน้ําไม่แรง 2 คุณเอาแปรงขัดนะแปรงขัดใส่น้ํายาให้ดีนะล้างรอบ นะเหมือนกันตรงนี้ต้องการยกตัวอย่างๆเนี่ยเปรียบเสมือนจิตเราต้องมีกําลังนะเปรียบเสมือนจิตเราต้องมีกําลังเหมือนกระแสน้ําที่ไหลมา 2, 2> เราจะ แล้วก็ไม่ใช่ล้างรอบเดียวต้องล้างหลายๆรอบเช่นเดียวกันๆรอบค่ะซึ่งพอเราจะ <c oughs> แล้วมันจะพาเราไปทางตามเหมือนน้ําเนี่ยค่ะเอ่อตัณหาที่เป็นไปกับด้วยความกําหนัดอํานาจแล้วสายของตัณหาที่มัน พอมีความปรุงใจรักเราก็จะด้วยอํานาจความพอใจเมาในสยบมัวเมาแล้วก็จะมีความจับอกๆลงต่ําเรื่อยๆพอ เช่นการด่ากันว่าการใช้อาวุธนะการลงโฆษณาการด่ากันออกทีวีเนี่ยจะตามมาหมดถ้าใครมีการกระทําอย่างนี้นะคุณโยมติดฝังฟันตรงได้เลยนะใครที่ด่ากันออกทีวี หวงกั้นนี้มาจากอะไรแสดงว่าเขาต้องมีสายกระบวนการมันมาเป็นอย่างงี้ อ่าแล้วเราจะหยุดเจ้านั่นเองนะเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหา 2, 2> <ใช>อย่างเนี้ย นะถ้าเราไม่รู้จักที่จะหยุดตรงนั้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตของเราถ้าเราไม่รู้จักที่จะหยุดตรงนั้นมัน นะจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามหรือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเนี่ยถ้าเราๆนะมันก็จะ เอาลูกกระสุนออกบางคนเนี่ยถูกลูกศรเป็น 10 ปีเป็น เอ่อคือบางเรื่อง 10 10 ปีก็ยังไม่รู้จักเอาออกแผลนี่ลึกมากก็มีเอ่อ แล้วก็ต้องเตือนคนที่เค้าถูกยิงเนี่ยว่าเอ้ยคุณเป็นแผลนะคุณอย่ากินของแสลงนะ<ใช> เราไปป่าตรงไหนอ่ะก็ป่าตรงที่ก่อนนะเครื่องเอ็กซเรย์ของเขาเนี่ยคือเครื่องตรวจหา<ใช> นะเสร็จที่ความระลึกได้รู้ได้ว่าเฮ้ยฉันถูกยิงอยู่นะๆนะมีดให้ พิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นตรายลักษณ์อนิจจังทุกขังนะตาพิจารณาเห็นความจริงนะคนจะพิจารณาได้เนี่ยมันต้องข่มมีต้องข่มในที่นี้ก็หมายว่าจิตคุณต้องมีสมาธิบ้าง พุทมีสมาธิๆไอ้ตรงที่คุณเจ็บไอ้คนตรงที่คุณถูกยิงบางทีพิจารณาก็ได้บางทีคุณเจ็บและเจ็บลึกมากเพราะมันเป็นหนองโดนนิด<ใช> นะเราก็ต้องคอยสํารวมอินทรีย์การดูแลแผลนะเห็นแผลเป็นเรื่องสําคัญก็คือว่า รู้จักในการที่จะอยู่สงัดฟังธรรมะอะไร<ค> 6 ทางเนี้ยเป็นแผลนะเวลาลูกศรมัน<ค> แต่เพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราถูกแทงอยู่นะพิษอาจจะออกหรือยังไม่ออกก็ ค่ะเราก็จะเอาตัณหาออกได้นั่นเองใช่ป่ะค่ะงั้น การสํารวจ MC จะไม่ให้จะทําค่ะแล้วก็ 5 วันติดต่อกันในรายการสังสรรค์สนทนาเรื่องตัณหาเนี่ยนะได้มั้ยคะได้ค่ะเอ่อตัณหา นะเช่นเเกียงสับเนื้อเอ่อความในความฝันความเป็นโรคเรื้อรังนะมีนิดเดียว พอล้างออกเช็ดออกแล้วก็ต้องทําซ้ําคอยระวังนะคอยระวังไม่ให้มันมันกลับ ท่านไม่ได้หวังว่าต้องเชื่อทันทีทันใดแต่ท่านชี้ให้เห็น และในวันต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้คิด มากทีเดียวนะคะเพราะว่าทั้งอ่าแสดงทั้งเป็นอ่าคนที่ของวัดป่าดอนหายโศกที่จะจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรม จังหวัดอุดรธานีแล้วก็หาถ้า 27 ตุลาคมค่ะดิฉันสังสิงค์นาคพงเองเป็นสุด ในชีวิตค่ะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะ